เาให้ฟังว่าเนี่ยลูกชายมักจะมีเรื่องทำให้แม่นี่โมโหอารมณ์ขึ้นอยู่เป็นประจาเลย แ, แล้วพอระบายบนลูกไปสักพักก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจิตตกเนาะก็เลยถามโยมว่าเนี่ยอยากให้จิตไม่ตกไหมอยากเลยไม่อยากให้จิตตก ก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ให้ขอบคุณลูกนะที่ทําให้จิตเราขึ้นนะเวลาลูกทําอะไรไม่ถูกใจจิตมันขึ้นเลยนะมันไม่ตกแล้วนมันขึ้นด้วยอารมณ์อารมณ์โกรธนะมอนในแง่นี้ก็ต้องก็เป็นเรื่องดีนะไอ้ความโกรธความโมโหเนี่ยมันช่วยผลักให้จิตมันขึ้นทําให้หายจิตตก จิตคนรมก็ขึ้นด้วยหลายสาเหตุนะขึ้นเพราะว่ามีคนชมได้โชคได้ลาภจิตมันก็ฟูแต่บางทีความโกรธมก็ช่วยกระตุ้นให้จิตนี่มันขึ้นได้เหมือนกันนะนันถ้าไม่ชอบจิตตกก็ต้องขอบคุณนะความโกรธนะที่ทำให้อารมณ์มันขึ้นแล้วมาช่วยยกจิตให้ขึ้นไปด้วยนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันก็ถ้าเราดูหรือมองดีๆมันก็ บางอย่างก็มีประโยชน์นะโดี๋ยวพอถ้าเรารู้จักเปรียบเทียบอย่างเช่นความเบื่อเนี่ยนะหลายคนไม่ชอบความเบื่อเลยนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบความเบื่อและหลายคนก็สัมผัสได้ความเบื่อนะเวลามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเดินจง ก, กรมสร้างจังหวะทั้งวันหรือแม้จะไม่ทําทั้งวันแค่ทําครึ่งชั่วโมง หรือไม่ถึงชั่วโมงนี่มันก็รู้สึกเบื่อแล้วโดยเฉพาะคนที่ติดโทรศัพท์หรือว่าชอบพูดชอบคุยพอต้องมาอยู่คนเดียวแล้วก็เดินไปเดินมาไม่ได้พูดคุยกับใครจะไปชงกาแฟกินก่อนไม่มีทำไม่ได้ จะไปเที่ยวทะเลทะไหลเต็ะเพื่อให้ใจมันไอเบื่อก็ทําไม่ได้นั่นก็เลยได้สัมผัสนะกับความเบื่อแบบเต็มๆชัดๆเลยหลายคนก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวนะแตยิ่งความเบื่อมันก็ดีนะเพราะมันแสดงว่าช่วยเราของชีวิตของเราตอนนี้เนะี่ยมันปกติราบเรียบ เพราะถ้าเกิดว่ามีคนมาต่อว่าเดาต่อว่าด่าทอเราเราก็คงจะไม่เบื่อคงจะโกรธหรือถ้าเกิดว่าเงินหายโทรศัพท์หายเราคงจะไม่เบื่อแต่เราคงจะเสียใจหรือว่าเกิดความวิตกกังวลหรือถ้าเกิดคนรักของเราเกิดล้มป่วยเราเกิดความหนักอกหนักใจเราจะเกิดความเศร้าหาว่าเขาไม่เพียงแต่ ล้มป่วยแต่ตายจากไปเลยแม้มองในแง่นี้ความเบื่อมันก็ดีนะมันแสดงว่าชีวิตเรานี่ราบเรียบหรือว่าเป็นปกติไม่มีใครมาต่อว่าดอทอเราไม่มีความสูญเสียพัดผราเกิดขึ้นไม่ต้องหนัก อ, อกหนักใจกับปัญหาต่างๆมองความเบื่อในแง่นี้มันก็ก็เป็นของดีเพราะถ้า ถ้าความเบื่อมันเกิดไม่ปรากฏนะมันอาจจะมีอารมณ์อย่างอื่นมาแทนที่ซึ่งแย่กว่าก็ได้แต่บางคนนะก็ทนความเบื่อไม่ไหวนะก็เลยหันไปหาอารมณ์อื่นแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่มันไม่ได้เป็นคุณเท่าไหร่คนแก่หลายคนนะ่อยู่บ้านวันวันหนึ่งไม่รู้จะทำอะไร เบื่อก็เลยเปิดโทรทัศน์และมักจะดูช่องดูรายการที่เป็นข่าวการเมืองและข่าวที่ดูหรือช่องที่ดูบางทีก็เป็นช่องของกลุ่มคนที่ตัวเองไม่ชอบนะแถมเกลียดด้วยแล้วก็มักจะกอะติดนะ รายการข่าวเรียกว่าเป็นวันๆเลยทั้งวันเลยดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปเพราะว่าเป็นช่องหรือเป็นรายการของฝ่ายตรงข้ามที่เตัวไม่ชอบแต่ก็แปลงนะทั้งที่ไม่ชอบเนี่ยทั้งที่โกรธนะกับเรื่องราวที่เห็นทางจอโทรทัศน์เนี่ย แต่ว่าไม่ยอมปิดนะไม่ยอมเลิกไม่ยอมเปลี่ยนช่องบางทีลูกหลานก็แปลกใจว่าทำไมพ่อแม่เอาแต่ดูโทรทัศน์ช่องนี้นั่งดูดูไปก็บ่นไปดูไปก็ด่าไปแต่ก็ไม่เลิกดูก็คงเพราะว่ามันทำให้เลือดลมสูรฉีดนะทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา ดีกว่าอยู่บ้านเงอยๆเงาๆถ้ดูรายการโทรทัศน์ที่มันกระตุ้นให้เกิดความโกรธให้เกิดความไม่พอใจสำหรับบางคนมันก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่จะอยู่แบบเงยียบๆอยู่แบบเบื่อๆเพราะความโกรธเนี่ยมันก็มันก็ทำให้มีชุดชีวาไปอีกแบบหนึง่ง ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันมีรสชาติที่ทำให้คนเราเนี่ยปล่อยวางได้ยากเพราะว่าเวลาเราโกรธอะไรเราไม่ชอบอะไรจะเป็นคำพูดหรือการกระทําของใครหรือว่าเหตุการณ์ทางการเมืองที่เราไม่ชอบแต่ว่า มันก็มีแรงดึงดูดให้ใจเราเนี่ยไปจดจอ่อยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งจดจอ่อสนุถนอมอารมณ์นั้นยิ่งไม่ชอบใครก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นยิ่งไม่ชอบคอมเมนต์ของใครก็ยิ่งนึกถึงคมพูดเหล่านั้นเหมือนเวลาเราเจอกลิ่นเหม็นเนี่ยนะมือหรือเนื้อเราถูกกลิ่นเหม็นเนี่ยไปถูกเอาน้ำน้าปลาหรือปลาล้าเนี่ย หรือว่าอาจจะเป็นปัสสาวะเยี่ยวแมวเนี่ยเหม็นเผลอไปถูกเข้าอย่างแรกที่เราทําคือล้างนิ้วล้างมือแต่พอล้างเสร็จแล้วทํางานดึงนิ้วดึงมือมาดมถ้ายังมีกลิ่นเหมนอยู่ก็จะล้างแล้วทําไงต่อเอามาดมยิ่งเหม็นยิ่งดมนะนั่นมันก็แปละนะยิ่งเหม็นเนี่ยทำไมเราถึงยิ่งดมนะเพราะว่า มันยิ่งดึงดูดใจให้จดจ่อให้ความโกรธความเกลียก็เหมือนกันนะโดยพอจากสื่อเดี๋ยวนี้อาจจะดูโทรทัศน์น้อยลงดูแต่ว่าดูโทรศัพท์มากขึ้นแล้วคนแก่จํานวนมากเนี่ยที่เขาวันวันไม่ทําอะไรเนี่ยก็กอดติดอยู่กับข่าวการเมืองแบบนี้นโดยเพาะช่วงที่มันมีการประท้วงมีการประทะมีการขัดแย้งกันรุนแรง เรียกว่าติดตามไม่ลดละเลยทั้งที่ไอช่องที่ติดตามก็เป็นช่องที่ตัวเองไม่ชอบเป็นคู่ปรับนะแต่ว่ามันละสายตาหรือว่าละความสนใจไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันทาให้หายเบื่อนะทำให้ชีวิตมันแต่ละวันแต่ละวันมันมีรถมีชาติทั้งที่มันเป็นสิ่งที่บันทอนจิตใจ อย่างแล้วก็ตามเนี่ยนะอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็บางอย่างเราไม่อยากมันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดโดยพราะเวลาเรามามาอยู่วัดมาเจริญสติหรือถึงแม้จะอยู่ที่อก็ตามเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งที่ เป็นบวกและเป็นลบถ้าสำหรับผู้ฝ่ธรรมเนี่ยนะมันเป็นโอกาสนะในการที่เราจะเฝ้าสังเกตอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นและยิ่งเราหมั่นสังเกตเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าอารมณ์พวกนีนะ้มันมาแล้วกว็ไปมาแล้วกว็ไปใจเราก็มีขึ้นมีลง เม่กยังจิตตกอยู่เลยยังห่อเหี่ยวอยู่เลยตอนนี้กับเกิดความชุนเฉียวหรือเกิดความดีใจขึ้นมาในความห่อเหี่ยวความเบือ่อมันหายไปไหนไม่รู้นะมันกลับมีความดีใจนะเมื่อเจอเพื่อนหรือมาเจอข่าวดีจากโทรศัพท์มือถือหรือเจอข่าวที่ถูกใจในใจเราเนี่ยมัน มีอะไรให้เราดูนะให้เราศึกษาได้เยอะเลยแล้วเราก็จะเห็นหน้ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจะไปเอาจริงเอาจังหรือยึดมัน่นถือมั่นกับมันไม่ได้เลยแล้วถ้าว่าเราเป็นผู้ที่มั่นผุดผลตนเนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายบวกหรือลบนี่มันมันสามารถที่จะ เป็นเครื่องฝึกใจเราได้นะไม่ใช่แค่ฝึกให้เกิดความอดทนเวลามีความเบือ่อหรือฝึกความอดทนนะเวลามีความโกรธความอยาความโลภแต่มันสามารถจะเป็นเครื่องฝึกสตินะให้กับใจของเราได้เขามาเพื่อฝึกสติให้ เร็วให้ไวสติเราเนี่ยนะมันจะเข้มแข็งจะปาดเปรี่ยวว่องวานเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนึกเอาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเพราะว่ามีการฝึกแล้วฝึกจากอะไรนี่ก็ฝึกจากความที่และอารมณ์ต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือล้ายเนี่มันเป็นเครื่องฝึกสติที่จำเป็นมากเลย แไม่ใช่เพียงแนั้นมันยังเป็นสิ่งที่สอนใจเราได้สอนให้เห็นว่าความคิดและอารมณ์มันไม่เที่ยงสอนกัะทั้งว่าเนี่ยอารมณ์เหล่านี้หรือรวมทั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราได้ไม่อยากให้มันเบื่อมันก็เบื่อไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธถึงเวลามันโกรธอยากจะให้มันสงบมันก็ไม่ยอมสงบง่าย ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอันนี้แปลว่าใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกหนึ่งนาทีหรืออีกส0มสิบวินาทีข้างหน้านมันจะคิดอะไรตั้งใจจะไม่คิดอยากจะให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับมือที่เคลื่อนไปมาแต่เดี๋ยวมันก็คิดคิดขึ้นมานี่เราว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่อาจจะเห็นง่ายแต่ไม่ใช่เรานี่ ต้องใช้เวลาหน่อยรนะแต่ว่าถ้าฝึกดีๆก็จะเห็นหรือฝึกเรื่อยๆก็จะเห็นนักใจไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราความโกรธก็อันนึงความเกลียก็อันนึงความคิดก็อันนึ่งมไม่ใช่เราแต่เผลอเมื่มอไรก็ไปื่อว่ามันเป็นเราเป็นของเราไนะปยึดว่าความโกรธเป็นเราความคิดเป็นเรานะแต่จริงมันไม่ใช่เลย มันถ้ามันดูมันสังเกตจลนสติบ่ายๆก็จะเห็นแล้วต่อไปก็จะเห็นนะว่าไอความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันล้วนแต่มีใจของเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการก่อให้เกิดขึ้นหรือผู้อ่านนี่คือว่าสาเหตุของความทุกข์ในใจเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกอย่างเดียวอยที่ใจของเราด้วยหลายคนหงุดหงิดนะเวลารถติดนะแต่ที่จริงเนี่ยถ้าลองดูดีๆนะสังเกตใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่คาดหวังให้รถหรือการสัญจรเนี่ยมันมันไหลลื่นเนี่ยรถติดเราก็ไม่หงุดหงิดนะ อาจจะมีบางวันนะที่เราก็ไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ถึงที่หมายไวๆนั้นพอรถติดเนี่ยเราก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้หงุดหงิดอะไรแต่วันใดก็ตามที่เราอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆเพราะมีนัดเนี่ยโอ้เราจะหงุดหงิดมากหรือถ้าเกิดว่ารถติดแต่เราไม่สนใจไม่จดจ่อเพราะกําลังคุยกับแฟนกําลังคุยกับเพื่อนคุยถูกคอกันเลยนะ รถติดขนาดไหนเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่สนใจนะเราลืมไม่ได้ซ้ํานะเพราะเรากําลังเพลินหรือจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กําลังคุยกันต่อเมื่อเราเกิดสนใจขึ้นมาจดจ่อขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะรู้สึกหงดหดงิยเช่นเดียวกันนะการกระทําของใครเนี่ยนะไม่ดีอย่างไรเนี่ยถ้าเราไม่ถือเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์นะ แลไม่หงุดหงิดนะเราจะโกรธเราจะหงุดงิดก็ต่อเมื่อเราถืออย่างครูเนี่ยที่กำลังสอนอยู่เราเห็นนักเรียนก้มหน้ามองโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรียนไม่ค่อยสนใจฟังครูเนี่ยถ้าครูคนไหนถือเรื่องนี้มากเนี่ยจะโกรธแต่ถ้าครูคนไหนไม่ถือถมันจะสนใจไม่สนใจก็เป็นเรื่องของมัน ฉันก็สอนชอนไปพอไม่ถือก็ไม่โกรธหรือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือดังตอนนี้เนี่ยนะถ้าตามาถือตามาก็จะโกรธเจ้าของโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าไม่ถือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาผิดพลาดกันได้ลืมปิดโทรศัพท์ได้อนะจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขณะที่ตามาบัญญาติตามาก็ไม่โกรธไม่หงุดหงิด หรือว่าเอาเสียงโทรศัพท์นันเป็นเครื่องฝึกใจของตัวว่าเออเราจะมีสติในขณะบรรยายได้ไหมโดยที่ไม่บลอกบลกไปกับเสียงที่มารบกวนอย่างนี้ก็ไม่ไม่เกิดความหงุดหงิดไม่เกิดความโกรธเพราะไม่ถือเมื่เราสังเกตนะ้ความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวมันเป็นเพราะใจเราก็ไปมีส่วนร่วมด้วยอันนี้ราไปถึง คำต่อว่าดาทอนะใครมาด่าว่าเราถ้าเราถือเราก็โกรธนะอาจจะถือในคำพูดหรือว่าถือในหน้าตานะเออถ้ามาต่อว่าต่อหน้าด้ยังไม่เท่าไหร่ไปต่อว่าต่อหน้าทารกำนันนี่บางคนถือมากถือเรื่องหน้าตาก็โกรธนะไอ้ตัวนี้สำคัญนะเพราะว่า มันทำให้เราตระหนักว่าสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกเนี่ยนะมันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละอยู่ที่การวางใจของเราใครก็จะต่อว่าด่าทอยังไงถ้าเราไม่ไปร่วมมือนะหรือว่ารักษาใจไม่ให้ไปเข้าทางเขาเราก็ไม่โกรธนะเพราะบางทีคนที่ต่อว่า อยากจะให้เราโกรธแต่พอเรารู้ว่าเขามีอุบายแบบนี้มีจุดมุหมายแบบนี้เราก็ไม่ต้องการจะเข้าทางเขาเราก็สามารถจะยิ้มละื่นได้แต่อาจจะยิ้มละื่นภายนอกแต่ข้างในจะโกรธก็ได้นะอันนี้เป็นเพราะว่าวางใจไม่เป็นไปเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาทิมแทงใจของเราเหมือนกับ เขาพ้นตะปูหรือพ่นเศยแก้วใส่เราถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นนะเราก็ไปฉวยไปหยิบเอาตะปูที่เขาพ่นมาเนี่ยหยิบมาทามาหยิบมาทิ่มแทงตัวเราในที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเราเอาคาพูดงเขาเนี่ยมาทิ่มแทงใจของเรา อันนี้เรียกว่าถือนะเรียกว่ายึดเอาไว้ไป่วยเอาคาําพูดเข้ามาทิ่มแทงแต่ถ้าเราไม่จับไม่ช่วยไม่สนใจคาําพูดหรือไม่ไปหยิบเอาตะปูเหล่านั้นที่เขาพ่นมาจากปากออกมาทิ่มแทงเราก็ไม่ทุกขนะ์อันนี้พระเจ้าเคยนะเคยสอนพรามคนหนึ่งนะพราม์คนหนึ่งเนี่ย เดินตามผู้เจ้าแล้วก็ต่อว่าด่าว่าผู้เจ้าเพราะเขาไม่ถูกใจที่ผู้เจ้าเนี่ยสอนธรรมจนกระทั่งลูกศิษย์เพื่อนมิ ส, สัยของเขาเนี่ยหันมานับถือผู้เจ้าเ้าโกรธก็มาตามต่อว่าพระองค์พระองค์ก็ไม่ตอบโต้ อ, อะไรจนกระทั่งถึงเชตวันพอถึงเชตวันแล้วก็เริ่มสนทนากับเขาถามว่าเนี่ย เคยมีคนมาบ้านท่านบ้างไหมก็ต่อมีแต่มีเยอะด้วยเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่คนซินไม้ซินรายไม้ต่อเขาจามีเพื่อนมีมิตรสาหามากเมื่ อ, อาคาันตุกะมาบ้า น, ท, านท่านท่านทําอย่างไรแล้วก็อาหารเอาของขอบเคี้ยวมาต้อนรับแล้วถ้าเขาไม่รับของขอบเคี้ยวนั้นของน่าจะเป็นของใครก็เป็นของข้าพเจ้าสิเจ้าก็เลยตรกสว่าเนี่ย ฉันนีก็ฉันนั้นนะท่านด่าว่าเราต่อว่าเราถ้าเราไม่ทับไม่รับเอาคำต่อว่าของท่านในคำเรานั้นจะเป็นของใครอันนี้เนี่ยมองให้ดีเนี่ยมองอีกแง่นึงคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอย่างพระ เ, เจ้าก็คือว่าพอเขาต่อว่าหรือด่าว่าก็รับเอาคำด่าว่าเหล่านั้นเนี่ยมาทำร้ายตัวเอง เหมือนกับว่าเขาเอาของมาให้ของขบเคี้ยวมาให้ก็ไปรับของนั้นมาเคี้ยวแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของขบเคี้ยวนะมันเป็นยาพิกเลยทีเดียวเขาอุปมาของพระอาจารเนี่ยในแง่หนึ่งก็เห็นก็ชี้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราไม่ไปรับเอาคําด่าว่าของใครมาเราก็ไม่ทุกแต่ที่เราทุกเพราะเราไปรับเอาคําด่าว่าของเขามา อันนี้แหละที่จึงบอกว่าเนี่ยความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันรู้แล้วแต่มีสาเหตุมาจากการวางจิตวางใจของเราที่ไม่ถูกต้องเมื่อไปรับเอาคำด่าว่าของเขามาเก็บตะปูเส่แก้วที่พ่นจากปากเข้ามาทิ่มแทงตัวเราแล้วเจ็บหรือผู้ใหญ่คือเกิดความโกรธที่จริงเกิดความโกรธเนี่ยนะ หรือเกิดความเกลียดหรือเกิดความเบื่อความหงุดหงิดเนี่ยนะอันนั้นยังไม่ทําให้เราทุกข์นะมันเกิดขึ้นก็จริงนะแต่ว่าความทุกข์ยังไม่เกิดมันเกิดเมื่อเราไปยึดเอาความโกรธหรือความทุกข์เหล่านั้นมาเป็นเราเป็นของเราคือพอมันมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพูดอย่างหลวงพ่อเขียคือว่าแทนที่จะเห็นแล้วก็เข้าไปเป็น ถ้าเห็นนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความเบือ่อความเศร้าเนี่ยมันไม่มันไม่ทุกนะแต่พอไปยึดเอาว่ามันเป็นเราเป็นของเราหรือเข้าไปเป็นเนี่ยจึงทุกข์แล้วทำไมถึงยึดนะก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะความหลงแล้วเนี่ยความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเพราะถือนะถือเอาคามพูดของเขาหรือไปยึดเอาคาพูดของเขามา ปรุงให้เกิดความโกรธท่านั้นไม่พอยังไปยึดเอาความโกรธมาเป็นเราอีกนะที่แรกเพลินะปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะถือถือในการกระทําคําพูดของเขาแต่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามีสติรู้ตัวนะแค่เห็ น, นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นนะมันก็ไม่ทุกนะแต่พอไม่เห็นเนี่ยเข้าไปเป็นคืเข้าไปยึดนี่แหละไอ้ตรงเข้าไปยึดนี่แหละนะมันคือตัวการที่ทําให้เกิดทุกข์ในใจเรา ตรงนี้จึงบอกว่าเนี่ยสมุทรไทยแห่งหรือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมาอยู่ที่ใจเราด้วยหรือที่เราไปร่วมมือกับเขางั้นถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่โกรธหรือถึงโกรธแต่ไม่ไปยึดในความโกรธนั้นมันก็ไม่ทุกข์นีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นและจะเห็นได้ก็ต้องมันสังเกตใจของเราอยู่ บ, บ่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะเจออะไรใจเราไม่ทุกข์ก็ได้ นะถ้าใจเราไม่ถือนะหรือไม่เข้าไปยึดหรือรู้จักวางใจให้ถูกมันต้องไม่จำเป็นต้องไปแก้ที่ใครไม่ต้องไปจัดการกับใครสิ่งที่เราทำได้คือจัดการที่ใจของเราให้มีสตินะให้มีความสึกตัวให้มีปัญญา